เเวสาลีสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่กรุงเวสาลี985ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นาคูตคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสสอนอสุภักกรรมฐาน ทรงพันานาคุณแห่งอสุภะกรรมฐานตรัสสรรเสริญการเจริญอสุภะกรรมฐานแก่ภิกษุทั้งหลายโดยประการต่างๆต่อมาพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราปรารถนาจะลีกเล่นอยู่ผู้เดียวสักครึ่งเดือนใครๆอย่าเข้าไปหาเรา ยกเว้นภิกษุผู้นําอาหารบินทบาทเข้าไปให้รูปเดียวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดํารัสแล้วในครึ่งเดือนนี้จึงไม่มีใครๆเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยกเว้นภิกษุผู้นําอาหารบินทบาทเข้าไปถวายรูปเดียวลําดับนั้นภิกษุเหล่านั้นสนทนากันว่า พระผู้มีพระภาคตรัสสอนอสุภากรรมฐานทรงพรรณนาคุณแห่งอสุภากรรมฐานตรัสสรรเสริญการเจริญอสุภาษกรรมฐานโดยประการต่างๆแล้วพากันประกอบความเพียรในการเจริญอสุภากรรมฐานหลายประการกระทั่งเกิดความรู้สึกอึดอัดเบื่อนายรังเกียด ร, ร่างกายของตน จึงพาการสแสวงหาสัตราสํสำหรับฆ่าตัวตายวันเดียวภิกษุก็นาสัตรามาฆ่าตัวตายสิบรูปบ้าง3 0สิบรูปบ้างเมื่อครึ่งเดือนผ่านไปพระผู้มีพระภาคก็เสด็จออกจากที่หลีกเรนรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสถามว่าอานนท์ทำไมภิกษุสงฆ์จึงดูเหมือนจะน้อยลง ท่านพระอานุนทูลตอบว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าพระผู้มีพระภาคตรัสอสุภกรรมฐานทรงพรรณนาคุณแห่งอสุภกรรมฐานตรัสสรรเสริญการเจริญอสุภกรรมฐานโดยประการต่างๆแล้วผากันประกอบความเพียรในการเจริญอสุภกรรมฐานหลายประการ กระทั่งเกิดความรู้สึกอึดอัดเบื่อหน่ายรังเกียจ ร, ร่างกายของตนจึงพากันแสวงหาสัตตราสำหรับฆ่าตัวตายวันเดียวพิกษุก็นำสัตตรามาฆ่าตัวตายสิบรูปบ้างส0สิบรูปบ้างขอพระทานวโรกาศขอพระผู้มีพระภาคโปรดตรัสบอกวิธีอื่นที่พิกษุสงนี้ จะพึงดำรงอยู่ในอรหัตผลเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาโนนถ้าเช่นนั้นเธอจงผดียงภิกษุเท่าที่อาศัยกรุงเวสาลีอยู่ทั้งหมดให้ประชุมที่โรงอาหารท่านพระอานุนทูลรับสนองพระดารัสแล้วผดียงพิกษุเท่าที่อาศัยอยู่กรุงเวสาลี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 ประทับนั่งบนพุทธาฏที่ปูลาดไว้แล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธิแม้นี้ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นสภาพสงบประนีตสดชื่นเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขและทำบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปสงบไปโดยเร็วภิกษุทั้งหลายฝุนละอองที่ฟุ้งขึ้นท้ายฤดูร้อนถูกฝนใหญ่นอกฤดูกาลทำให้อันตรธานไปสงบไปโดยเร็วแม้ฉันใดอาณาปานสติสมาธิที่พิกษุจเจริญทำให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นสภาพสงบประณีต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 มีสติหายใจออกสัมเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสัมเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทําให้มากแล้วอย่างนี้จึงเป็นสภาพสงบประณีตสดชื่นเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุข และทำบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปสงบไปโดยเร็วเวสาลีสูตรที่เก้าจบ